ดูก่อนสารีบรเปรียบเหมือนเนื้อที่เกิดในป่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็วิ่งหนีจากป่าสู่ป่าจากชัดสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ดอนจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันในการใดเราได้พบเห็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์คนหาหญ้าหาฟืนคนเที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่า แม้กระทั่งเห็นพวกนายพรานอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เดินหนีจากป่าไปสู่ป่าไปให้มันหนีให้มันไกลก่อนนั่นเนะจากที่ชัดที่รกสู่ที่รกว่า ง, งั้นจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้อย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนเหล่านั้นเลยดูกนสาริบทนี้เป็นวัดในความสงัดของเราถ้าเอาวิเวก ข, ขนาดนี้บรรลุมรรคผลก็บรรลุไปแล้ว เพราะเงียบแบบนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อปรินิพานหรอกไม่ใช่หรอกทีนี้เอาเกี่ยวกับเรื่องอาหารมั่งนะถ้าใครบอกอาหารนี่แหละทำให้บริสุทธิ์ได้ดูก่อนสารีบุตรเรานั้นแลคลานเข้าไปในโคที่เราโคออกไปแล้วและปราศจากคนเลี้ยงโคไปกินโคไหมของลูกโคอ่อนที่ยังไม่ทิ้งแม่ ไปกินขี้วัวของลูกวัวเองไรงี้ยนะมูดและเกรดของเรายังไม่หมดสิ้นเพียงไรเราก็กินมูดกินเกรดของตนตัวเองไป น, นั้นเป็นอาหารกินขี้วัวเสร็จแล้วถ่ายออกมาแล้วกินกระเวียนอย่างเงี้ยจนกว่าจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถ่ายแล้วก็ไปกินใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้แหละเป็นวัดในโภชนะมหาวิกัตของเราถ้าจะบริสุทธ์เพราะกินแบบนี้ก็บริสุทธิ์ไปแล้วถ้าจะเบือหนายคลายกำหนัดรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานนะก็ทําไปแล้วพระองค์เคยทำนะเมื่อเก้าิบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ย เคยไปทําอย่างนี้มานัในในในเก้าสิบเอ็ดกับแต่ว่าคนละยุคกับสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีอ่ะนะคนละยุคกันแต่ว่าในกลับเดียวกันโนะ่นแหะดูก่อนสารีบุตรเรานั้นแลเข้าไปอาศัยแนวป่าอันน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่นี้เป็นความน่ากลัวแห่งแนวป่านั้นหมายความว่าถ้าไปอยู่ที่น่ากลัวที่สุดนะก็เคยไปอยู่ที่มันน่ากลัวแบบสุดๆ เพราะผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่านั้นโดยมากขนเนี่ยลุกพองเลยก็แลผลพองสยองกล้าวกลัวนะดูก่อนสารีบุตรเรานั้นแลในราตรีที่หน้าหนาวในฤดูเหมมันตั้งอยู่ในระหว่างเดือนสมต่อเดือนสในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีหิมะตกเรียกว่าเดือนสามเดือนสณถิ่นนั้นนะหิมะเนี่ยโปรยในราตรีเห็นป่านั้นตอนหิมะตกอยู่กลางแจ้งตลอดคืน กลางวันก็ไปอยู่ในแนวป่าคิดดูนะว่ากลางคืนเนี่ยให้หิมะตกใส่ทั้งคืนกลางวันก็ไปอยู่ในป่าที่มันเย็นอย่าเยือกกลางวันเนี่ยนะมันก็หิมะละลายในป่ามันก็เย็นอย่าเยือกนะกลางคืนก็ไปอยู่กลางแจ้งให้มันเย็นหมายความว่าถ้าจะเอาให้มันเย็นสุดๆก็อยู่แบบเย็นสุดๆแล้วเราเงี้ยนี่อันนี้หน้าหนาวถ้าหน้าร้อนอ่ะกลางวันเราก็อยู่ที่แจ้งให้แดดมันเผากลางคืนก็ไปอยู่ในแนวป่าที่ร้อนระอุเหมือนกัน ดูก่อนสารีบุทเป็นความจริงคาถาอันนาสอัศจริยเล็กน้อยที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่านักปราช้เสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำน้ค้างเป็นคนเปลือยทั้งไม่ได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าอันน่ากลัวก็ใช้ชีวิตแบบคนป่าดีๆนี่แหละ ถ้าจะได้ดีเพราะทําอย่างนี้พระองค์ก็ได้ดีไปแล้วอ น, นะถ้าจะเบื่อหนายคลาําหนัดรู้ยิ่งปราสรู้นิพพานก็นิพพานไปแล้วพรานนิพวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยนะทีนี้อุเบกขาวัางนะดูก่อนสารีบทเราย่อมสําเร็จการนอนแอบอิงกระดูกศพอยู่ในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เรา มาถึงมาทำไงถมน้ำลายรถบ้างบางพวกก็มาถ่ายปัสสาวะรถบ้างบางพวกเอาฝุ่นละอองมาโปรโยรถบ้างบางพวกเอาไม้เนี่ยมาหย่อนหูเล่นบ้างเอาไม้มาปั่นหูเล่นอ่ะนะเราไม่รู้สึกว่าจิตอันลา ม, มกเกิดขึ้นในพวกเด็กเหล่านั้นเลยไม่มีอกุสนกับเด็กพวกนั้นเลยอ่ะนะดูก่อนสารีบุทนี่แหละเป็นวัดในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราเนี่ยนะนะในเหตุการณ์นี้เมื่อก้าสิบเอ็ดกับนะ หน้า105บอกว่าทรงแสดงอุเบกขาที่ทรงบำเพ็ญแล้วตลอด91กลับนี้ด้วยบทนี้เนี่ยนะ91กลับมาแล้วนะในหน้า105ตรงข้า ง, างล่างข้างบนคาถาหน่อยหนึ่งทีนี้ต่อไปเกี่ยวกับในข้อ185ดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ว่า ความหมดจดย่อมมีด้วยอาหารต้องกินอาหารเท่านั้นจึงจะบริสุทธิ์ทีนี้ทฤษฎีของเขากินอะไรแล้วบริสุทธิ์พวกนี้เยียวยาอัตภาพด้วยอาหารขนาดเท่าพุทธาเท่าพุทธาเนี่ยนะคงไม่ใช่พุทธาแบบลูกตัวนะพวกเขาย่อมเคี้ยวกินผลพุทธาผลพุทธาปนดื่มน้ําพุทธาบริโภคพุทธาอย่างเดียวชนิดต่างๆเรียกว่าสรญหาเกี่ยวกับเรื่องพุษธาผลพุทธา พุทธสาปลน้นําพุทธสาวนอยู่ในพุทธสานี่แหละถือว่าบริสุทธิ์เพราะพุทธสาดูก่อนสาลีบรเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกินผลพุทธสาผลเดียวเท่านั้นหมายครับว่าวันหนึ่งอยู่ด้วยพุทธสาลูกเดียวสารีบทเธอจะพึงสําคัญว่าพุทธสาในสมัยนั้นชโอยจะใหญ่เป็นแน่ ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นผลพุทราที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเทียวก็เหมือนในบัดเนี้ยพุทสาแขกนะั้นไม่ใช่พุทราแบบลูกโตๆกรอบๆอะไรไม่ใช่เลยพุทราเล็กๆนั่นนะนะดูก่อนสารีบรเรากินอาหารเท่าผลพุทราผลเดียวเท่านั้นร่างกายของเราก็ถึงความสูบผอมยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและมีข้อดำ เ si พราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่พวกของเรานี่เหมือนรอยเท้าอูดเหมือนั้นนะเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกสันหลังของเราเนี่ยนูนขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสบ้าเคยเห็นหลังอะไรนะหลังหลังจระเอียหลังอะไรนะหลังไดโนเสาร์อ่ะนะคล้ายๆกับพวกกระดูกไดโนเสาร์เห็นหลังขึ้นตะปุ่มตะปุ่มแบบนั้นแหละเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองึกระดูกซี่โครงของเราเนี่ย เลื่อมขึ้นเลื่อมลงเนี่ยนะมันมันโคตรโกงๆนะปรากฏเหมือนกรอนแห่งศาลาเก่าที่เหลื่อมกันฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดวงตาของเราก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาของดวงดาวปรากฏในบ่อ น, น้ําอันลึกฉะนั้นอันนี้ก็เพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองพร้อมจนขนาดเรียกว่าดูตานี่มันลึกกับเราประกายรีๆอยู่ข้างในอนะกรรมมันก็หล่อเลี้ยงไว้ไ ม, ไมไ่ตายหรอกนะ หนังศีรษะของเราเนี่ยอันลมถูกต้องแล้วก็เหี่ยวแห้งเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมแสดงว่าพร้อมเลยแจะกรหนังหุ้มกระโหลกจริงๆเลยนะพร้อมแล้วก็เวลาลมโชยเข้ามาก็เหมือนน้ำเต้าที่ถูกตัดขั้วแต่ยังอ่อนอันลมและแดดสัมผัสแล้วย่อมเหี่ยวแห้งนะนะเรียกว่ากะโหลกยังเฉาเลยอย่างนั้นนะนะพร้อมขนาดนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูก่อนสารีบุตรเรานั่นแหละคิดว่าจะรูปคลําผิวหนังท้อง ก็รูบคำกระดูกสันหลังแสดงว่าแบบอะไรนะเอาอุ้งมือนี่รวบได้หมดทั้งท้องทั้งหลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นจะรูบหลังก็ถึงท้องจะรูบท้องก็ถึงกระดูกสันหลังดู ก, ก่อนสารีบดผิวหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองนะเ อ, อ่ะนะแปลกไม่เป็นโรคกระเพาะอนะกรรมมันหล่อเลี้ยงจริงนะก็ใช้ชีวิตจนพร้อมขนาดนั้นอ่ะนะ เรานั้นแหลคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะกว็ส่วนล้มณที่นั้นเองความที่เรามีอาหารน้อยเรานั้นเมื่อจะยังร่างกายให้คล่องแคล่วนะแม้จะทําให้ตัวสดชื่นหน่อยสิลูบคลําตัวด้วยฝ่ามือเมื่อลูบคลําตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายมีรากอันเน่าก็จะหลุดจากกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนะลูบตัวนี้ขนก็ร่วงไปหมดเลยนะ ผุไปหมดเลยนะคล้ายๆน้องๆไม้ผัวนะแต่ว่าไม่ตาก็เหมือนกับคนที่ไม่เป็นไข้ค น, คนป่วยบางกลุ่มเนี่ยนะพร้อมอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ถือว่าไปทําตัวแบบนี้แล้วจบับบรรลุมรรทผลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะอย่าไปคิดลักลทธิทฤษฎีเหล่านี้ว่าจะเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรทผลไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อ ท่านนิพานเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุมรรคนั้นคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองเพราะันอัตตะกิละมัทธนุโยกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้บริสุทธิ์อะไรเลยเนี่ยนะพวกนี้เป็นกลุ่มลัทธิอัตตะกิละมัทธนุโยกการทําตนให้ลําบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์เนี่ยนะทีนี้ต่อไปพวกลัทธิที่ถืออาหารอีกกลุ่มที่สองกลุ่มแรกคือเอาพุทธาใช่ไหม พวกนี้ศาสนาพุษษาทธาทีนี้มาดูศาสนาถั่วเขียวบ้างดูก่อนสาริบุตรมีสมณะพรามณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้วัฒะคือลับที่ทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดมีด้วยอาหารพวกนี้ก็ไปกินอะไรกินถั่วเขียวเนี่ยนะกินอาหารเท่าถั่วเขียวอย่างเดียวก็ถั่วเขียวก็เท่าถั่วเขียวสมัยใหม่นี่แหละพร้อมจนเรียกว่าชาตินั้นก็เอาปางตายเหมือนกัน น, นะนะอันนี้ชนหนึ่งชาติผ่านไปอีกชาติหนึ่งพวกนี้ถือบริสุทธ์ด้วยอาหารพวกนี้ถือศาสนางา คนนี้ก็กินแต่งาอย่างเดียวเนี่ยนะทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยเยี่ยมเมี่ยมกับเพื่อนเลยกินงาเม็ดเดียวใช้ชีวิตอยู่ด้วยงาเม็ดเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็พร้อมกรองไปอีกชาติหนึ่งอีกชาติหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรข้าวสารเม็ดเดียวอันนั้นอาจใช้อาหารอยู่ด้วยข้าวสารเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพวกศาสนาข้าวสารเนี่ยพวกนี้เคี้ยวกินข้าวสารข้าวสารป่นดื่มน้ําข้าวสารบริโภคข้าวสารที่เขาจัดทําให้แปลก มีประการไม่ใช่น้อยดูก่อนสารีบุตรแต่เราสิรู้สึกว่ากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นสารีบุตรเธอจะพึงมีความสําคัญว่าข้าวสารในสมัยนั้นชฉลอยเป็นเม็ดใหญ่เป็นแน่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นข้าวสารที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเที่ยวก็มีกัน <c oughs> ก็มีขนาดเท่ามเมล็ดข้าวสารในบัดนี้แล้วไม่ต่างอะไรกันหรอกว่ากั้นนะั้นเอาไหมาใช้ชีวิตอยู่ข้าวสารเม็ดเดียวนะวันเดียวก็แย่แล้วนะ ทรหดจริงๆไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรกับเขาเลยนะกรรมอะไรหล่อเลี้ยงอะไรไม่รู้บุญบุญตงๆไม่ใช่กรรมแน่บุญมีบุญตัอย่างข้าวเขาไม่เคยกินแตบางทีเนี่ยไม่กินข้าวเลยเจอหน้ากันตอนเย็นเนี่ยนะหน้าก็ดั่มเลยรมผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนไม่ทําอะไรอยู่เนาะอะไรจะธุรกิจรัดตัวขนาดนั้นะแต่ก็ไม่เคยได้ข่าวว่าเป็นโรคกระเพาะไม่สบายเป็นลมวิงเวียนมีเป็นหวัดนี่หน่อยๆพักผ่อนแล้วไปต่อได้แล้วอทรหดจริงๆ แล้วก็มีคนเดียวนะทั้งห้องเลยเนี่ยจริงๆก็มีคนเดียวนะเพราะฉะนั้นปฏิปทาเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะนี่ก็พูดถึงว่าโพธิสัตว์ในะอยู่ในลทัทธิเข้าสารเนี่ยนะละทัทธิเข้าสารถือเอาเมล็ดเข้าสารเม็ดเดียว เพราะฉะนั้นพอกินข้าวสารเม็ดเดียวเท่านั้นมันก็พร้อมสุดๆแล้วนะพร้อมยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่โพวกของเราก็เปรียบเหมือนรอยเท้าอูดเพราะความที่เรามีอาหารน้อยกระดูกสันหลังของเราก็นูนขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสบ้าเพราะความที่เรามีอาหารน้อย ซี่โครงของเราก็เหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกรอนแห่งศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยดวงตาของเราก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาของดวงดาวปรากฏในบ่อ น, น้ําอันลึกฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองหนังของหนังศีรษะเลยนะหนังหุ้มกะโหลกศีรษะเนี่ยอันลมถูกต้องแล้วก็เหี่ยวแห้งเหมือนน้ําเต้าขมที่ถูกตัดขั่วแต่ยังอ่อนอันลมและแดดสัมผัสแล้วย่อม เป็นของเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูก่อนสารีบทรเรานั่นแลคิดว่าจะรูปคลําผิวหนังท้องก็ร hmm. ูปคลําถูกกระดูกกระดูกสันหลังทีเด mm. ียวคิดจะรูปคลํากระดูกสันหลังก็รูปคลาถูกกระดูกผิวหนังท้องแปลว่าแม้รวบได้หมดเลยนะรวบทั้งเอวได้ใช้กำ ม, มือเดียวเนี่ยนะดูก่อนสารีบทผิวหนังท้องของเราติดกับกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อย เรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนลมณ์ที่นั้นเองเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเอง เ, ร า, เรานั้นเมื่อจะอยังร่างกายให้คล่องแคล่วก็รูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเรารูปตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายมีรากอันเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองทีนี้ต่อไปใจความสําคัญที่เอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าดูก่อนสารีบุตร แม้ด้วยการปฏิบัติที่ไม่มีใครสู้ได้อย่างนั้นเรียกว่าอกกริสุดยอดเลยนะไม่มีใครเทียบไม่มีใครเทียมไม่มีใครทำได้ปานนีิอย่างนั้นแม้ปฏิปทานนั้นแม้ด้วยการกร ะ, ะทำความเพียรที่ทำได้แ ส, สนยากมันคนแสนคนไม่ให้ว่าจะทำได้สักคนหนึ่งนะมันยากเก่งๆเลยแหละเราก็ไม่ได้บรรลุทำอันยิ่งของมนุษย์ ที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษไม่ได้บรรลุโล ก, กุตระมักแม้แต่ข้อเดียวไม่ได้บรรลุข้อปฏิบัติอะไรพอจะเป็นพระอริยะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นเหตุบรรลุปัญญาอันประเสริฐปัญญาตัวนั้นเป็นเชื่อของวิปัสสนาปัญญาเพราะไปอดไปอยากไปทำตัวอดอยากหิ้วห้อยไปทุกข์ไปยากไปลําบากธุรกรรมอย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้ได้วิปัสสนาปัญญา